วาห์ स หสมาบินิตาสายุนตัมจีริเมฆลัมบิตาโกรช म ซนมารามดานาดิดัाนาวิบนาจิตวาม त นโดตัมเตจส Yeah, yeah, mama. พระตระหนักขันติุจนตบวิธนาจิตวามนโเต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 อขอเจริญพรชีวิตนี่มีความหมายมากสําหรับคนเกิดมาจากโลกนี้ต้องรักชีวิตทั้งนั้นค่ะชีวิตความหมายที่จะต้องเดินทางไม่พลาดผิดแต่ชีวิตของเราทุกวันในหน้าที่ได้มากคนเรารักชีวิตไม่ถูกต้องค่ะรักชีวิตแล้วสาไปสร้างความชั่วเดินทางพลาดผิดไม่มีกฎจราจลชีวิตแต่ตการใดไม่มีหลักยึดเหนี่ยวในทางที่จะเดินทางไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตชีวิตจึงผิดหวัง ก็มากมายชีวิตแปลว่าความหวังอันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการงานและงานที่เรียกว่ ช, ชีวิตที่มีประโยชน์นั้นแต่ทุกคนขอเจริญพรว่ะชีวิตนี้ใครหนอจะรักไหมมนุษย์ก็ต้องรักชีวิตมนุษย์ก็ขอประทานโทษขอเจริญพรนับประสาอะไรแต่แค่มนุษย์แค่เดรัจฉานยังต้องรักชีวิตของเขาแต่หน้าสิดาสําหรับมนุษย์เดรัจฉาศักยภาพของบุคคลทุกวันนี้รักชีวิตไม่ถูกต้อง รักชีวิตแต่เดินทางทลาดผิดผิดกดจรามจอดชีวิตเขาวางทางเช่นเดินของมนุษย์ใหม่ปรับเดินผิดพลาดเหมือนมาแหกคอกช้างปอกแตกมาที่ใดในเวลาของเขาที่หมดไปเรียกคืนไม่ได้คือชีวิตอันตามเวลาชีวิตแปลเวลาที่มีประโยชน์จนมีว่าชีวิตที่ไม่ไร้คา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 ว่าคนที่ฆ่าตัวตายเนี้ยถ้ามันสิ้นทุกจริงๆหรือเปล่าอขออรยาพรไม่ใช่อย่างนั้นคนฆ่าตัวตายนี้ใครหนออยากจะฆ่าต้องตีปัญหาก่อนทุกคนกลัวตายทั้งนั้นชีวิตอันที่เขาเกิดมาเนี่ยเขาก็กลัวตายฉะนั้นทําไมต้องฆ่าตัวตายนี่ที่ฆ่าตัวตายนั้นอย่าคิดว่าเขาเรานั้นกลัวอคื อ, อเขากลัวตายทําไมต้องฆ่าด้วย โดยอำนาจเกลียดอนนาประกาศนี้คนนึ่งอำนาจที่หลงผิดเดินทางเส้นทางโคจรชีวิตเส้นทางของแทงชีวิตมันอยูเพราะก็เดินทางนี่มีหลายทางไปทางไหนพระเจ้าสอนให้เดินทางไปถูกต้องไปนรกไปอดสุรกายฉัตดิเรฉานจะเดินทางไหนไปทางมนุษย์ไปทางพรหมโลกไปทางสวรรค์ไปทางนิพพานท่านก็บอกเส้นทางไว้แล้ว แต่เส้นทางของเราจะเดินนั้นต้องพัฒนาด้วยปัญญาคือปัญญาในตัวอย่างนี้เป็นตน้นแต่เหตุใดหนอเขาจะมาฆ่าตัวตายได้อย่าลืมกดเหงาตามจากการกระทํานั่นเองเป็นการกระทําต้องทําให้ต้องฆ่าตัวตายเจ็ดชั่วชั่วชาติแมช่ชาติก่อนนี้เคยฆ่าตัวตายมาแล้วมันจีบชาติต้องฆ่าตลอดไปจนฆ่าชาติตุวท้ายแต่ชาติตุวท้ายนั้น ก็ขอเจริญพรว่าทําไมต้องฆ่าตัวตายต้องขอเจริญพรดังนี้อาตมาจับได้หลายคนหลายหลายหลาหล า, หลายตอนเช่นคนที่ฆ่าตัวตายชาติสุดท้ายไม่ได้เจตนาเลยคมันเป็นนี่ไม่เครื่องหมายทําให้ต้องตายเช่นยกเปิ้ลขึ้นมาเช่นยกตัวอย่างให้เห็นเป็นความจริงลูกเสือชุบบัตะเสคนนี้นํามจต่างนามพระคุณไม่ได้ เป็นเสกองทัพไทยสามข่ายเลยสวนมหาราชเอกาททรสพิโสโลกโสโคถันภรรยาก็เป็นอาจารย์สอนวิไลครูที่พิโสโลกลูกสาวฆ่าตัวตายลูกสาวฆ่าตัวตายเนี่เอาเอานี้มาไป็นหลักลูกสาวฆ่าตัวตายแต่ฆ่าตัวตายไม่ได้โกรธเลยคไม่ได้โกรธใครเลยนะแต่จับปืนขึ้นมานี่สาธิตให้ดูจับปืนขึ้นมาดู สนุกในการจับปืนก็อง้างากายบ้างอะไรบ้างเลยก็พิดว่าลูกไม่ะเป้องเลยตายคาที่ะตายคาที่แต่พ่อแม่ก็เสียใจไปทําบุญให้ก็ไม่ได้รับก็ไม่ชาว่าลูกนี่ไปโกรธใครมีแฟนตรงไหนเป็ลูกสาวค่ะรับราช ก, การสวยน่ารักนี่ยกตัวอย่างให้ดูก่อนแล้วจะเห็นชัดด้วยฆ่าตัวตายไม่ได้สร้างกรรมใหม่กรรมเก่าไม่ได้เจตนา ทำไมจึงฆ่าถ้าพูดตั้งหลาธ ร, รมะเรียกว่าความประมาทถ้าพูดให้ลึกลงไปอีกเรียกว่ากดแห่งกรรม<ช>เขาจะต้องฆ่าตัวตายชาติถุดท้ายโดยไม่ตำโกดใครเลย<ช><ช>แล้วเฉยอาตมาไปบรรยายกฎแห่งกรรมในกองทัพเจ็ดวันเจ็ดคืนไปหลายแห่งเขาร้องไห้ตลอดนี่ยกตัวอย่างเป็นเรื่องหนึ่งก่อน<ช> <ๆ S 2> เขาร้องไห้บอกปัดเสยให้ล้อห้ทําำไมลูกสาวยิงตัวตายฆ่าตัวตายก็ไม่ทราบความหมายอาตมาก็บอกให้จบไปก่อนจบไปก่อน เนี่ยฆ่าตัวตายเนี่ยชาวถุถายไม่โกรธใครไม่เจ็บแฟนเขายังไม่มีแฟนแล้วไม่ใช่เรื่องอะไรเขารับราชการด้วยจบมาก่อนแต่บอกไม่เคยมาเข้าฝันแต่ประการใดลายตะมาก็ขอจเจริญพรว่าท่านเสยเชื่อตะมาไหมคนที่ฆ่าตัวตายจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามผู้จ่าบอกาบาปมากทำบุญไม่ถึง <c oughs> ไม่ถึงเนี่ยวิธีการทาถึงทาอะไรคือจเจริญกรรมฐาน จะเริ่มวิปัสนาโทฐานะชั้นสูงสุดในพุทธศาสนาถึงจะได้รับเลยสามีภรรยาคู่นี้ก็เป็นอาจารย์ปัญญาก็ลาพักลอนนั่งกรรมฐานนั่งกรรมฐานได้เจดวันเจ็ดคืนแล้วมาในเจ็วันเจ็ดคืนลูกมาเข้าฝันค่ะลงที่จบไปเลยมาเข้าฝันบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณขอบใจแม่และพ่อมากได้นั่งกรรมฐานให้หนูขึ้นจากนรก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 คนเราเนี่ยความรักกับความโกรธไม่กลัวใครค<ะ>ขนาดโกรธจัดเนี่ย<ม>ไปกลางคืนกลัวผีกลัวโจรก็ต่อไปได้โ<ะ>กรธนี่ไปได้เนี่ยสองความรักที่สุดไปได้เนี่ยไม่กลัวใครก็อะไรไม่ไปก็ไม่ได้นี่ความโกรธนี่ไปได้เลยโกรธจัดสามารถไม่มีสติ<ะ>สามารถปลูกขอตายนี่เป็นกรรมใหม่ไม่ใช่กรรมเกา่า<ะ>ข้อที่สอง ค, <ะ>คนปลูกขอตาย โดยไม่มีโกรธเลยอันนี้เรื่องจริงสองรายการแล้วคือชาติตุดท้ายบัณฑมีเจตนามีตัวตอนช่างทําโรงเรียนวัดเชลทองอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีทําโรงเรียนแล้วก็ไปอาบน้ำติดคลองส่งน้ําเดินผ่านปา่าช้าเดินผ่านป่าช้ามาก็เดินเดินมาเล่นคนหนึ่งเป็นในช่างเลยเดินมาที่หลังพอมาถึงปา่าช้าแวบ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 ผู้หญิงเจ้าของบ้านก็บอกเอาละไหนๆขึ้นมาแล้วฉันจะให้รางวัลให้สร้อยหนึ่งเส้นเอาสร้อยสวมคอพอสวมคอเลยปั๊บสลกไปเลยก็หลบไปเลยแล้วก็พวกชาติก็เทิดตามมาถึงที่วัดควันตีหนึ่งตีหนึ่งเนี่ยอาตมาก็กลับไปบอกว่าให้อะปืนไปยิงยิงขึ้นฟ้าสามนัดพอยิงขึ้นฟ้าสามนัดแล้วเห็นตำลังผูกห้อยหนุนบนต้นาคางไม่ใช่เป็นบ้าน แล้วก็แก่มาแล้วก็มารดน้ำมนต์อาตมาถามบอกโกยใครเปล่าเปล่าเดินมาจริงนั่นน ะ, ะเดินมาแล้วก็เห็นบ้านเขาเรียกขึ้นบาทค่ะให้ ก, กินข้าวเลยก็ไม่รับทานเลยอาตมาก็กระชิบบอกพัญญาครับสามเดือนตายค่ะสมเดือนตายเนี่ยตายอย่างเพราะชาติสุดท้ายเี่ยแล้วทีนี้สามเดือนก็เดินทางกลับไปพิจิตก็ไปช่วยงานที่ผูกพัชชิมา แล้วกลับบ้าน้นสายเนี่ยพัญญามาตามสุวัรไม่มีก็ผูกคอตายที่ตรงขะนี่อันนี้ก็ขอเจริญพรว่าคนที่ชาติสุดท้ายผูกคอตายโดยเจเไม่ได้เจตนาแล้วจะไม่ผูกคอตายต่อไปอีกเจ็ดชาติคอีกประการที่สองคนสร้างกรรมกรรมใหม่กระโดดด้วยโทสะมีอำ น, นาจโทสะขอเจริญพรฝากไปยิน คนเราเนี่ยความรักกับความโกรธไม่กลัวใครค <ะ S 1> ขนาดกโกรธจัดเนี่ยไปกัางคืนกลัวผีกลัวโจรก็ต่อไปได้ <คะ S 1> โกรธนี่ไปได้เนี่ยสองความรักที่สุดไปได้เนี่ยไม่กลัวใครเพราะอะไรไม่ไปก็ไม่ได้นี่ความโกรธนี่ไปได้เลยโกรธจัดสามารถไม่มีสติ <คะ S 1> สามารถปู่ขตายนี่เป็นกรรมใหม่ไม่ใช่กรรมเก่า <คะ S 1> โดยมไม่รู้แล้วนี่ไม่มีสติ อย่ากตายเนี่ยอย่าอยู่เลยโปรธพ่อโปรธแม่โกรดอย่างแรงแล้วโกรธสามีโกรธภรรยาโกรธลูกจนหมดสติไม่มีเส้นทางเขาเดินคนชีวิตไม่มีปัญญาเลยเนี่ยผูกคอตายได้ยิงตัวตายได้โดดตึกตายได้ในแวบหยุดเดียวนี่ขอเจริญพรอย่างนั้น่ะแต่ตกลงพ่อเขาเมื่อฆ่าตัวตายไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีทุกข์ได้หนีทุกข์ไม่ได้ใครบอกว่าฆ่าไปเพื่อพ้นทุกข์กลับไปข้างภูต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 ขอเจริญพรคนที่จะสิ้นหวังอะไรอะไรต่างๆมันหมดอะไรจะอยากเนี่ยมันไม่มีหลักก็ขอเจริญพรไม่มีหลักคือเช่นทางชีวิตไม่มีการเดินทางคือกลจราจรชีวิตไม่มีแล้วมันสิ้นหวังหมดอะไรจะอยากหมดอะไรจะอยากค่ะเราก็ต้องให้ธรรมะเขาหลักสามประการศีลสมาธิปัญญาไม่ตรงนั้นหลักสติปัญญานี่เองคือปัญญาเนี่ยสา ม, มารถจะแก้ปัญหาชีวิตได้ฉะนั้า น, านคือปัญญาในตัว ปัญญานอกตัวเนี่ยช่วยอะไรใครไม่ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนชัดเจนมากสอนอะไ ร, รอยู่สอนเน้นวิชาการวิชาการเนี่ยต้องเรียนก่อนพอเรียนแล้วต้องเน้นถ้าพูดตามหลักธรรมะเรียกว่าโลกีปัญญาค่ะมันจําเป็นนะค่ะปัญญาทางโลกสองโลกุตระปัญญาปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิตเขาไม่มีเลยค่ะบางทีเป็นด็อกเตอร์ แ, แต่จ้าฆ่าตัวตายก็เยอะค<ะ>ือ <คะ S 2> แล้วไปผิดหวังไป ต้องฆ่าตัวตายต้องเสียใจตลอดไป้ะทั้งเป็นด็อกเตอร์ต้องหลายด็อกเตอร์ <Okay. S 1> แต่เพราะเหตุใดเพราะเขาไม่มีโลกุตละปัญญา oh. คือปัญญาในตัวไม่มีห <Okay. S 1> ลักธรรมะไม่มีเลยไม่มีสติสัมปชัญญะขาดสติสัมปชัญญะมากมายสายทางเดินของชีวิตจึงผิดไป <Okay. S 1> เดินพลาดเหมือนกัจราจรชีวิตเนี่ยต้องเดินทางตามเส้นเขาตีไว้ทีเจ้าสอนถ้าแหกพอกนะนอกทางนอกเส้นเนี่ย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 แต่กฏจาระจรักุจิตใจัคือสายทางเดินของชีวิต <Okay. S 2> สายเดินทางเดินชีวิตคืออะไรคือสติปัญญาได้แก่ตัวปัญญา <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นพรธเจ้าสอนต้องมีภูมิห้าคือจะแปลจากสีนสมาธิปัญญาสีนสมาธิปัญญาง่ายแต่ไม่มีใครทำต้องพูดโดยวิธีปฏิบัติหนึ่งภูมิรู้สองภูมิธรรมสองภูมิฐานสภูมิปัญญาหภูม <Okay. S 2> ิปัจจุบัน ถ้ามีภูมิปัจจุบันก็คือหายใจเข้าออกไม่สถียทั้งจัญญานี่ตัวนี้เป็นภูมิปัจจุบันคนเราไม่เอาปัจจุบันเอาอาดีตมามามา <c oughs> รีเฟรชรวมทุกอื่นมาคลิกกิจชอบทั้งไม่ไม่ทำ <c oughs> อนาคตไม่จับย้งมันให้ข้นมย้ำมันตายจะผิดหวังจะเสียใจตัวชีวิตนี่ตรงนี้เสียใจไหมถ้ามันผิดหวังขึ้นมาทําไมจับมั่นข้นมมตายจับจนหลักละถ้ามันผิดไปทำไมนาจะพิจารณาอธิจังทุกขังนิตา มันความแน่นอนชีวิตมีมั้ยชีวิตแม้แต่ว่าไม่แน่นอนชีวิตคือความหวังจาแต่ฟื้ชีวิตคือสังกตายไปวันหนึ่งสังกตายไปวันหนึ่งได้อะไรฮะได้อะไรไม่มีการที่จะสร้างเลยเพราะฉะนั้นชีวิตนี้ต้องอยู่ในข้ออยู่ในการที่จะต้องอย่าอย่าสร้างความผิดหวังให้กับตัวเองอดีตอย่าลื้ฟื้นได้ไหมค่ ะ, ะเรื่องคนอื่นอย่าคิดถจาชอบน่าจะทากลับไม่ทา ปัญญามีสามอย่างนี่หลักหลักที่ต้องปฏิบัติอย่าไปเอาอาดีตเป็นความฝันปัจจุบันเป็นความจริงเอาอย่างนั้นอีกไม่ได้ตอนเอาปัจจุบันนี้ก็ อ, อะไรเอาคุณกับพุทธเจ้ามาไว้ซะเศกษฐาความรู้ปัญญาคุณ ที่แก้ง่ายๆต้องปลูกศรัทธาปลูกความเชื่อมั่นให้เข้าสู่ในคุณภระีเลตนาจารมีพระพุทธเจ้ามีประธรรมประสงค์ไปตน้นคุณพระพุทธเจ้าคืออะไรเอามาวางใชใจได้ไหมคุณพระเจ้าวางไว้ในใจได้ไดไาาไในใจลายง่ายๆพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณพระมาหากรุณาธิคุ ณ, คณเอาไว้ในที่ได้ไหมปัญญามีสามอย่างนี่หลัก หลัที่ต้องปฏิบัติอย่าไปเอาอาดีตเป็นความฝันปัจจุบันเป็นความจริงเอาอย่างนั้นอีกไม่ได้ต้องเอาปัจจุบั น, นก็ อ, อะไรเอาคุณพระพุทธเจ้ามาไว้จ้ะศึกษาห้ความรู้ปัญญาคุณมีสามอย่างสุตตมยบปัญญาปัญญาได้แก่การสดับดับฟังอธิบายได้แก่ศรัทธาฟังสนใจฟังสนใจฟังจดหัวข้อไว้ แล้วก็ทบทวนทบทวนในเมื่อทบทวนแล้วก็ทํำยังไงทบทวนแล้วก็คลี่คลายนั่นทบทวนแล้วจําไว้ไ ด, ด้มันจดมันจํามันจํามันจดถึงใดงามอย่างงดมันจดมันจําไปตำรานี่คือตัวปัญญาปัญญาเนี่ยแค่ฟังอย่างเดียวไม่ได้ต้องจินตามัญญาปัญญาปัญญาต้องต้องคิดก่อนมีสติคิดก่อนได้ไหมคิดหน๋อก่อนได้ไหม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 พระบริสุทธิคุณของผู้ทธเจ้าได้แก่อะไรเพราะความเบื่สุดได้แก่อะไรได้แก่ภาวนาถ้าไม่ภาวนาและจิตไม่ใส่ใจสะอาดไม่บริสุดถ้าจิตใส่ใจสะอาดชำน้าใจสะอาดถึงจะเกิดปัญญาเรียกว่าตัวภาวนาทําใจสะอาดหมดจดมันทองธําธรรมชาติสิโดราบออกมาอย่างนี้เรียวกว่าพราะวิสุทธิคุณของพูทเจ้าถ้าคนเรามาีความเบื่สุดจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้น ขอขอเจริญพรดดัดเตอ่ออย่างนี้ความบริสุทธิ์ของคนเนี่ยทําให้เกิดความจริงใจชายก็จริงหญิงก็แท้เป็นผู้แก่ชื่นบูชานี่ใชตรงนี้พระข้อปฏิบตัติเป็นข้อหลักของพุทธศาสนาชัดเจนว่าด้วยสดนี่คือจากภาวนาทำให้รรจิตใจใจสะอาดบริสุทธิ์ปุถุพองมันทองคําธรรมชาติสื่อหล่อเหลาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเกิดการแก้ปัญหาได้คือเมตตาเป็นคนที่จริงคือชัดจะ เมตตาสามัคคีมีวิไนเรียกว่าเมตตาปราณิารีเอเฟือขาหรือให้ดูกันเรียกว่ากุลประสิทธิ์นาตาใเขาจรินพอรอย่างนั้นค่ะท่านผู้ชมครั เ, เวลาของรายการก็มีไม่มากนักนะค ะ, คะเนื่องจากพวกเราพร้อมที่จะก้าวสู่ปีใหม่แล้วนะคะถือโอกาสนี้กราบขอพรจากหลวงพ่อหลวงพ่อขาขอพรปีใหม่ให้ลูกๆที่อยู่ทางบ้านด้วยค่ะพันปีใหม่ อขอจเจริญพรญาติพี่น้องชาวไทยทุกท่านสคอสอแปลว่าความสุขแห่งความดี2553สวัสดีปีใหม่ชาติไทยเจริญเดินก้าวหน้า 1. ขยันเอาการ 2. งานสะอาด 3. ฉลาดเอาพบ 4. ชอบระวัง 5. ตั้งใจกรง 6. สงที่ทรร 7. นำทางถูก 8. ปลูกสติ 9. เดินดชอบนี่พรพหมาย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 พรุงนี้เสมอมีทางให้เธอเก้าวเดินทุกวันอย่าท้อความหวังยังรอเธออย่าแพ้อย่าแพ้ใจตัวเราเองชีวิตไม่สิน้นหวังไม่สิ้น ทางออกแล้วมีฉันเป็นกาลังใจสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เด็กๆไม่ทราบเป็นอะไรเคลียดไปหมดเลยก็อาจารย์ดูสิคะา่ะหนังสือพิมพ์ในสมัยนี้มีแต่เรื่องน่าเศร้าทั้งนั้นเลย นะะขนาดเด็กเล็กยังไม่เว้นเลยค่ะฆ่ากันได้ลงคอเลยค่ะอาจารย์ค่ะเหล่านี้นะคะเป็นเรื่องของกรรมที่มันต่างกรรมต่างวาระกันไปนะคะเราคงต้องไปกราบนมัสการหลวงพ่อจารานเพื่อที่จะขอความรู้จากท่านค่ะเด็น้อยใฝ่รู้ค่ะกราบนมัสการค่ะหลวงปู่หลวงปู่ค่ ะ, น ค, ะ, นน ค, ะคนเราเนี่ยนะคะถ้าเกิดทําความดีเนี่ยนะคะพอตายไปแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์ ถ้าเกิดเด็กที่เพิ่งแรกเกิดเนี่ยนะคะก็าตายไปซึ่งเขายังไม่ได้ทาความดีหรือความช่วเลยก็จะได้ขึ้นสวรรค์หรือเปล่าคะอ๋อหนูถามดีมากบา <c oughs> งคนเกิดมาเนี่ยคุณหนูไม่ทันลองตายในทอ้องไปเยอะแยะ เ, เข้าใจไหมบามงคนคเกิดมายังไม่แทนเห็นเดือนตะวันก็มาตายก็มากหลายหลากหลายมาด้วยกฎแห่งกรรมจากการกระทําของเขาเขาจะต้องกระทํามาแค่นั้นเองแต่จะถามว่า คนตายนั้นยังไม่ไทางความดีจะไปในโลกสวรรค์เราก็ไม่สามารถจะตอบได้จะตอบได้อยู่คําเดียวถ้ า, าว่าคนนั้นวิญ ญ, ญาณเขาทําความดีมาใชา่ก่อนแล้วเขาขนาดนั้นเขาตายนะในทองหรือไรถ้าจิตเขาดีหรือว่าเขามีปกติเขาก็ไปสวรรค์ได้<ฆ>แต่หากว่าเขาเนี่ยจิตไม่ดีนะมันติดวิญญาณเข้ามาเขาก็ไปนโลกได้เกิดเปมนมูเสเซนจะยากมาก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 วัยรุ่นไทยในสมัยนี้นะคะหลวงตาชอบคิดหาวิธีการออกจากปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายค่ะไม่ตอรอยากจะให้หลวงตานะคะช่วยเล่าถึงความทรมานในกรณีที่วัยรุ่นคิดย่าไขปัญหาด้วยการออกจากปัญหาด้วยวิธีการนี้ค่ะจะตอบให้นุ้งฟังสงวิธี่ไอ้วัยรุ่นเล็กๆวัยรุ่นโตๆหนุ่มสาวสิบห้าสิบหกยี่สิบฆ่าตัวตายเป็นจํานวนมากโดดตึกตายก็มีไม่จําเป็นต้องวัยรุ่น คนอายุกลางคนแค่ยี่สิบห้าไปแล้วในมัชชิมวัยก็โดดตึกตายฆ่าตัวตายยิงตัวตายก็มากหลายหลากหลายม า, าไม่ใช่จำเพาะวัยรุ่นคนอายุมากกว่าฆ่าตัวตายด้วยการยิงตัวตายเสียใจยแก้ปัญหาไม่ตกแต่พูดตามหลักพระพุทธศาสนามีอยู่สองประการาประการที่หนึ่งนั้นคือคนนั้นไม่มีหลักธรรมไม่ได้เข้าวัดขาวามาไม่ได้สวดมนต์ไหว้พระ จเจริญกระโ ố ภาวนาไม่ได้นั่งประกรรมฐานไม่ได้ปฏิบัติธรรมเขาจึงไม่มีที่พึ่งทางใจเขาก็สามารถจะออกไปผูก้อตายโ ด, ดตึกตายคิดเสียใจพ่อแม่ที่บางบ้านเขาสร้างความดีกับลูกทำถูกกับหลานลูกสวดมนต์ไหว้พระเขาจะไม่มีทางจะต้องฆ่าตัวตายเลยนี่ประการหนึ่งอีกประการที่สองคนที่ฆ่าตัวตายมาชาติก่อนเคยฆ่าตัวตายมาถึงเจ็ดชาติ มาในชาตินี้เขาก็ต้องฆ่าตัวตายกระทั่งที่ไปวัดแล้วก็ต้องฆ่าตัวตายก็มีมากเส้นปู่คอตายเป็นต้นเยังมีสอประการหนูการเด็กวัยรุ่นรุ่นให ม, ม่เนี่ยมันพอจะแก้ด่แต่ที่พ่อแม่เขาพ่อแม่สอนลูกใช่ไหมให้เข้าวัดสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาเขาจะแก้ไขปัญหาได้จะไม่มีปัญหาที่จะต้องฆ่าตัวตายอยู่แต่เขาไม่ทํากันในสองคมของคนไทยตรงนี้อ่าสมัยนาซิดายเนี่ยหนู น่าจะเข้าวัดหรือว่าสวดมนต์ไหว้พระภาวงกกาสวดมนต์เป็นประจำเป็นนิสอาถรรพ์ฌี่เป็นประจำเอาคุิกรรมกดก็แผ่เมตตารับรองเขาจะมีหุนทางจะไม่ฆ่าตัวตายแน่นอนมีสองประการนี้นุเขาฝากไว้ บกักเพื่อนต่ อ, ตอไปวันนี้เบ่์เตยก็ต้องกราบขอพระคุณหลวงตา ม, มาะคะที่ให้คําชี้แนะเกี่ยวกับทางออกที่ดีให้กับพวกเราชาววัยรุ่นนะคะเบย์เตยอยากจะฝากเพื่อนๆนเอาไว้สักนิดนึงนะคะการฆ่าตัวตายไม่ใช่การคิดแก้ปัญหาที่ดีที่สุดอยากให้ใช้สติคิดซะ ก, ก่อนค่ะและสําหรับช่วงหน้าพี่เดียร์รออยู่กับช่วงหนุ่มสาวรักกา้าวหน้าสักครู่เราไปพบกับพี่เดียร์กันค่ะหนุ่มสาวรักกา้าวหน้ากรับมัพการค่ะหลวงตา วันนี้นะคะเดจะมาพูดเรื่องว่าตายแล้วเราไปไหนกันคะวันเอ่อมันมีเหตุการณ์หลายอย่างนะคะอย่างเช่นว่าบางคน้ ล, ลืกชาติได้ก็มีนะคะบางคนคิดว่าตัวเองกลับชาติมาเกิดแล้วก็เดจะถามว่าเวลาคนที่เขาหมดลมหายใจไปแล้วนะคะแล้วเขาก็ฟื้นขึ้นมาใหม่กลับมา ม, มีลมหายใจอีกนะคะอยากเดชจะสถามว่าวิญญาณของเขาไปอยู่ที่ไหนคะตอนช่วงที่เขาได้หมดลมหายใจไปแล้วนะคะเอาอย่างนั้นชียวเหรอค่ะหนูสงสัย ค่ะถามดีมากตายแล้วไปไหนคนเราลึกชาติได้จริงไหมแลว้วก็คนที่หลมหมดลมให้ใจแล้วกลับฟื้นมามีไหมใช่ไหมใช่ค่ะมีคนสลบไปสลบแล้วไปแล้วไปไหนลุงตาขาแต่สลบนี่ไม่ได้หมดลมนะคะไม่ใช่ต้องให้ใจค่ะวุ้นใจต้องเต้นแต่ตรงนี้ไม่มีลมอ๋อค่ะ เอาถ้ามีร้องไม่มีลมแต่หัวใจยังเต้นถ้าหัวใจดับไม่เต้นไม่มีการฟืน้นไม่มีการฟื้นมันก็เรื่องแปลกอยู่หลายประการโรรจแล้วตายแต่กลับฟื้นได้กลมเท่าที่เราไปประสบมาถ้าใครไม่ประสบมาจะไม่รู้แล้วเราลึกชาติได้ไม่จริงเราข อ, อยืนยันสาหรับที่เราประสบมาแต่คนอื่นเนี่ยอาจจะมีแล้วคนที่ตายไปแล้วเนี่ย กลับมาฟื้นได้มีพระปิูุนิกรอยู่ภาคตายถ้าเรานา น, านหน่อยฟื้นได้แน่นอน <c oughs> แต่เราไม่ไเปไปพิสู์ว่าหายใจเปล่ากินยาตายกลับฟื้นได้แล้วไปไหนวิญญาณไปไหนก็ไปท่องเที่ยวอันนี้เรื่องจริงเป็นเพื่อนกับเรา <c oughs> อ่กคนนึงอีกอันนึงคนะระลึกชาติได้ไหม <c oughs> มีหลายเรื่องแต่ หลวงตาจะเล่าให้ฟังเรื่องที่ชัดเจน <Okay. S 2> เราขอยืนยันเอาหัวเป็นประกันเพื่อนของเราเองเป็นด็อกเตอร์ปริด <Okay. S 2> เป็นคนชาวโุรรนมาอยู่ที่ชาววุ้งจังหวัดลุนีเมื่อสมัยเราเป็นเด็ก <Okay. S 2> เขาไม่มีหนังสือเรียนไม่มีสตางค์เรียนหนังสือเมื่อสมัยข้าวเพิ่มละแปดสิบาทมาเมื่อเราเป็นเด็ก <Okay. S 2> ทองหนักบาทละสี่สิบหรือ80ดสิบจะไม่ได้เราก็บอกก็ยมผู้หญิงขอสตางค์ให้เขาเรียน เขาเรียนเก่งมากตั้งแต่มหนึ่งถึงมหกเซนบุรีแล้วไปเรียนกรุงเทพเราก็ส่งตลอดแล้วก็เขาไปต่อที่กรุงปริสัฝรั่งเศสน้องตาให้ไปสี่รอยบาทเขาขอแล้วเขามีอยู่บ้างพี่น้องเขามีอยู่บ้างไปรู้จักในกรุงเทพก็ไปเรียนจบด็อกเตอร์จากฝรั่งเศสกลับมาประเทศไทยแจงงานที่ฝั่งตุงมีลูกแรกๆสามคนเล็กๆแล้วเขาก็ตาย ลแล้วก็เคลียดตายตายจะทำไมไปไหนเขาไปเกิดที่กรอกจันสาธุประเดียญนาวาที่กรอกจันแต่ยงแม่เป็นคนจีนนอเย็บผ้าหลขายเย็บผ้าดำดำสำหรับไว้เกี่ยวข้าวต่อยุ้ปลายก็ขวบเราก็ย้ายมาอยู่บันนี้เขาตายนา น, นแล้วตายแล้วเขาเกิดเลยนี่คุณหนูสองพันห้าร้อย เขามาเรือเมเขาบอกให้แม er er mm ่มาหาเพื่อนเขาที่บวชดูสิ่งดีแม่เขาก็หาว่าลูกเนี่ยเป็นโรคประสาทเอาไปตรวจสมองตรวจแล้วก็ไม่พบว่าเป็นโรคจิตคเลยเกาก็พามามาเรือแคนบินยังจําได้แคนบินเรือแดงคจากท่าเตียนมาขึ้นหน้าวัดอภวันประมัยก่อนเนี่ยเดี๋ยวจะเบียดน้ำนองเดี๋ยวจะสองน้าทรงเนี๋ยวอ้ยเดินเย่น้ํากรหลีไหลลงค เดี๋ยนี่เกิดกุลยุกที่รุ่มกลายเป็นที่ดอนที่ดอนกลายเป็นที่ดค่ะมาทําไมมาถามมาจําเขาได้ไหมเราให้ทุกบาททุกตะตังได้คืนบอกจาไม่ได้เธอเป็นใครต้องตักรีดมาหาลวงตาที่มา<ล>ที่นี่เลยะพราะพ่อแม่มาเป็นคนจีนไฟยังอยู่ไฟตัวนี้แม็กเบลยังอยู่คล้องแต่ร่างกายเปลี่ยนไปค่ะ ตัวขาวไม่ดำเหมือนแต่ก่อนบอกว่าเราไม่เชื่อเธอนะว่าเป็นตัวเตอร์กรีาตายไปแล้วค <Okay. S 2> เขาบอกว่ามาเกิดแล้วไม่เชื่อไม่เชื่อผมจะพูดคําเดียวท่านให้ผมไป400บาทใช่ไหม <Okay. S 2> ไปเรียนที่กรุงปารีสเราจะยอมรับเชื่อเชื่อแล้วก็เขาให้พาไปบ้านพัญญาเขาที่ฝั่งตน <Okay. S 2> นี่พัญญาไปอยู่อเมริกาแล้วค <Okay. S 2> ไปขอหนังสือสามเนี่ยวิญญาณญีป он, ่ปุนผาช้าฟังเสด แล้วขอมาก็สรุปใจความให้หนูฟังว่าคนละลึกชาติดายเคยเรียนเป็นยอดเติมมาแล้วมาชาตินี้เรียนเก่งพลาดหมดเอ่นธาได้หมดคนที่มีเรียนหนังสือเก่งเนี่ยคือคนเรียนมาแล้วมาชาติก่อนคนยังไม่เคยเรียนเลยเนี่ยเรียนในชาตินี้ต้องชาแต่อช่ายพยายามไหมเลียงนะทุกข์ขมเตจิบุก ค, คลรุ่นทุกได้เพราะความเพียรสามารถจบได้เหมือนกัน กำลังสนุกทีเดียวนะคะและเป็นน่าติดตามมากเลยค่ะแต่วันนี้นะคะเวลาของช่วงของเดียวนี่หมดลงแล้วค่ะก็อยากกราบขอบพระคุณหลวงตามากนะคะที่ช่วยยกตัวอย่างใครอยากลองตายก็อเอากลุ่มไฟทานค่ะแต่อยากจะไปดูเมืองถวันก เ, เอากะโหลกไฟาทานเลยแต่เดี๋ยวว่าคงคงอย่าดีกว่าเพราะฟังจากประสบการณ์ค่ะจะฟังจากประสบการณ์จริงได้เดี๋ยวว่าคงไม่ฟูทุกรายแล้วค่ะนะคะกราบขอบพระคุณหลวงตาอีกทีนะคะค่ะแล้วท่านผู้ชมคะ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 ก็ขอจเจริญพอรออกไตเติลให้ยศด็อกเตอร์ฟังค่ะออกไตเติลหนึ่งเกิดมาทําไมเกิดมาเพื่อรอเวลาตายค่ะนายมาเพื่อรอเวลาเสียค่ะมีมาเพื่อรอเวลาหมดค่ะเราเจอกันเพื่อรอเวลาจากจ่าค่ ะ, คะสามีภรรยาพบมาแล้วมีลูกมีตาเกรียมตัวต้องพรพลาดจากของไม่ทิรักที่ชอบใจด้วยกันทั้งหลายทั้งสิ้ ไม่มีโอกาสกลับมาแล้วนี่คนนึ่งทองเตรียมตัวแล้วและการที่สองคุณยอมด็อกเตอร์แฟุมาอยาเข้าใจผิดค ค, คิดว่าเรายังเป็นสาวค่ะเด็กรุ่นใหมย่ยุกใหม่สมัยนี้ไม่คิดถึงความตา ย, ยคิดว่าเราเนี่ยยังสาวอยู่ยัง เ, เป็นกระแสสาวแท่แก่แม่ใหม่คิดอย่างเนี้ยอีกงานตายไม่ควรตายคืนนี้ได้ค่ะตายพรุ่ง น, นี้ได้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 อดีตเป็นความฝันปัจจุบันเป็นความจริงอนานคตไม่แน่นอนค่ะต้องเตรี้ยงถึงจะทำอะไรทําให้มันเสร็จเราไม่รู้อันนี้จังเ อ, อ๋ยทุกขังหน้าตาะจะตายวันนี้พรุ่งนี้ใครจะรู้ได้อย่าพัดวันประกันพรุ่งเลยโกทัญญามรณะนางทุินะสิงโลสรารขลานเตนะมหาเชเนนมัตตุนาคมัตตุลาแห่งความตายจะมาถึงเราในวันนี้ใครจะรู้ได้อย่าพัดวันประกันพรุ่งเลย นายอมดอ็อกเตอร์นะเปรียมตัวเปรียมใจค่ะเตรียมข้าวเตรียมของเสร็จแล้วก็เรียมใจโปร่งให้จบอย่า ก, กลัวตาย ค, คุณยมดอ็อกเตอร์ถ้าเรากลัวตายตายแน่แน่ะนไหนๆเราก็ต้องตายอย่ากกลัวดีกว่าทําให้ความเคยชินกับกับความตายค่ะเจนว่าชลาทำมุมหีเป็นธรรมดาต้องพิจารณาปัจจุเวทเกิด ออเป็นทุกแกเป็นทุกอะไรเป็นทุกทั้งเดชลาทำมุมหีต้องพิจารณาปัจจเวกทุกวันค่ะเราตายเนี่ยให้ใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายคิดไปทุกวันค่ะแล้วก็เจริญกุศลภาวนาสวดมนต์เมรพระคุณโยมด็เตอร์จะสบายใจมากค่ะลงตกแล้วไม่ต้องห่วงลูกเ้าเลยค่ะถ้าเราเก็บสมบัติไว้หมดเนี่ยแล้วเราตายเนี่ยไปนรกเลยนะค่ะโลพระเป็นเปรตในบ้านค่ะ ขอฝากไว้เป็นเปรตในบ้านคือเห็นบ่อยๆตายด้วยอํานาจโลภะทรัพย์สมบัติมากมายเยอะเกินแรกไมไ่เคยให้ลูกตายห่วงสมบัติต้องเป็นเปรตอยู่นในบ้านอยู่โทสะไปลบโมหะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานต้องเตรียมตัวตรงนี้ก่อนอย่าไปโลกอยากได้แบงไปเลยแล้วเราเตรียมใจค่ะือโยมดรพูดถูกแนละ้วต้องเตรียมใจแล้วเตรียมตัวก่อนตายคือลงให้ตก อย่าไปกลัวต่อความตายที่จะมาถึงในวันนี้ครับความตายจะมาถึงเดี๋ยวนี้แล้วเราก็อยากกลัวเราจองตกแล้วรับรองตายสบายมากะจะไปทางไหนเราจะไม่รู้อ่ะสุขกติงปฏิกลางขาทุกขติงปฏิกั ง, งาขาถ้าทีเป็นสุขเราก็ไปสวรรค์ถ้าทีเป็นทุกข์ก็ไปนรกเลยค่ะ เนี่ยอยู่ตรงนี้เองเนี่ยขอเจริญพรอย่างนั้นมีความหมายอย่างนี้มีมีคนติงอีกว่าถ้าหากว่าเราเจริญสติอยู่กับความตายตลอดเวลาเนี่ยเราก็เศร้าหมองเราก็ไม่คิดทําอย่างอื่นเราก็ไม่มีอะไรการคิดที่จะเจริญโลกก็ไม่เจริญถ้าเราคิดอยู่กับความตายอย่างเดียวไม่ใช่ค่ะถ้าเราจะคิดถึงความตายจะมาถึงเมื่อไหร่เราจะทํางานมากขึ้นค่ะตราตอนทางทำงานมากขึ้นคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติค่ะเราไม่ถึงความตาย ทุกอย่างโมระนามุตสเตค่ะว่าข้าไปเจ้าต้องตายแน่นอนแล้วเราจะตายอย่างไรเราก็ต้องเตรียมการไว้ทุกอย่างแล้วก็จะขยันมันเพียรตลอดเลยปรงตกแล้วไม่กลัวตายให้แม่ตัวตายก็ทําให้ความขยันไม่หดหู่ไม่เหิวแห้งถ้าคนมีธรรมะจะไม่หิวแห้งครับต้องต่อสู้กับงานตามกระชงนะคะอย่างนั้นค่ะผู้เจ้าตายทั้งข้างทางเดินคขณะที่จะหมดลมหายใจแล้ยยังได้ ปัดชิมมาโอวาดเลยเราตุท่าเห็นพระนนทิงยุชาฟังว่าหันทยาหัน ท, ทาเนี่ยพิโคเวอมันตามิโวขยกวยะธรรมมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทธธาติอ น, อนนท์เหนื่อยบัดนี้สังขารกําลาังเสื่อมกำลังโฉงไปแล้วะจะค่อยๆหมดไปแล้วอย่าประมาดนะในี่ตัวตัวยาประมาคดตัวเตรี่ยมการคืออยาประมาดอาบองค์ต่อสงครามชีวิตเลยคเปรี่ยมตัวซะนะบัดนี้ ทั้งขานเสื่อมไปด้วยกันทุกคนแล้วจะหมดไปตายผ่อนสง่มทุกวันแล้วอย่าประมาทเรียบทํางานเชื่อวันนี้อย่าพลาดวันประการพุ่งอัตมาจึงกล่าวไตเติเ้ลว่าวันนี้นนนคือพรุ่งหลังพรุ่งนี้ไม่ฉายเดือนนี้เดือนเราเดือนหน้ามไม่ใช่ปี น, ปนี้ปีหลงเราปีหน้าไม่ใช่รีบทําให้มันเสร็จณบัดนี้นี่แหละพระเจ้าสอนคเตรียมแล้วก็ อ, อ น, นุนทิพชาอยับประมาททั้งขานกําลังเสื่อมโทรมเนี่ยก็ต้องจากโลกไปสู่ซ้มไปยัพบ อย่าประมาทอาจองต่อสงครามเรียบสร้างความดีทุกชีวิตทุกคู่เค็สทุกประการต้องมีน้ำใจคือธรรม ะ, ะขาดน้ำสิ้นชีวิตขาดคู่เค็สชีวิตยังอยู่เรื่องเล็กขอจเจริญพร